ทืออเริกามีนกชนิดหนึ่งเป็นนกกินพึ่งนะที่กินนกกินพึ่งนี้มีหลายชนิดมีหลายสายพันธุ์แล้าสายพันธุ์ที่ว่านี้เป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดคือเขาอยากกินผึ้งแต่ก็รู้ว่าการที่จะเข้าไป ไปกินผึ่งจากรังเนี่ยมันยากนะเขาก็ต้องอาศัยตัวช่วยและตัวช่วยที่ดีก็คือคนคนนกชนิดนี้เขารู้ว่าคนเนี่ยก็ชอบกินน้ำผึ่งชอบหาผึ่งนะเขาก็จะต้องบินไปเพื่อไปหาคน แล้วก็คอยชวนให้คนเนี่ยตามเข้าไปนะก็จะส่งเสียงร้องนะส่งเสียงร้องบนเวียนนั่นแหละจนกระทั่งคนก็ผิดสังเกตก็ตามเข้าไปตามไปก็จะไปเจอหลังพึ่งตอนหลังคนก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าอ๋อถ้ามีโรคชนิดนี้มาหาแจดงว่า เขาเจอรังพึ่งแล้วคนก็จะตามนกชนิดนี้ไปไปถึงรังพึ่งก็คนก็ตีรังพึ้งนะหรือไม่ก็ออกควันออกควันไปไล่ก็ได้ประโยชน์ออทั้งสองฝ่ายคือว่านกก็ได้ตัวพึ่งคนก็ได้น้าพึ่งนันก็เป็นที่รู้กันในหมูเชาชาวบ้านวน่าถ้ามีนกชนิดนี้มาเอาแล้วนะ แต่ว่าก็มีปัญหาเพราะว่าบางทีเนี่ยคนตามพึ่งไปประกอบพึ่งตามนกไปปรกว่ามันไกลามากมันไกลามากไปถึงกว่าจะถึงต้นเหนื่อยบางทีเดินตามเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ถึงก็เลยเลิกตาม นกก็มีวิธีนะที่จะทําให้คนเนี่ยตามพึ่งไปให้ได้คนเนี่ยเขาก็สังเกตนะว่านกชนิดนี้เนี่ยเวลามันคนตามมันไปเนี่ยมันก็จะบินล่วงหน้าไปก่อนมันก็จะบินล่วงหน้าไปถึงต้นไม้ที่มีลังพึ่งเสร็จแล้วก็จะบินกลับมาหาคนคนก็ฉลาดพอที่จะคํานวณระยะทางได้ว่า ถ้านกหายไปนานกว่าจะกลับมาแสดงว่ารังพึ่งนิ่ไกลคราวนี้ก็ไม่ตามนะคือแต่ก่อนคนก็โง่นะก็เดินตามไปเรื่อยนะหัวชั่วโมงยังไม่ถึงเลยก็เลยเลิกแต่ตอนหลังนี่ไม่ต้องเดินตาม ไ, ไกลแค่สังเกตว่านกเห็นตัวนกแล้วกนกก็บินหายไปแล้วก็นกกลับมาใหม่แสดงว่าระยะทางมันไกลไนะคนก็ไม่ตาม คนไม่ตามนกก็อดกินพึ่งอันนี้นกทํายังไงนกก็เลยแกล้งหลอกคนนะบินพอเจอคนคนตามก็บินหายไ ป, ไปนิดเดียวแล้วก็โผล่มาให้คนเห็นคนก็นึกว่าไอยลังอยู่ใกลก้ที่นี่เองเพราะว่านกหายไปไม่นานคนก็เดินตามไปนะนกก็ใช้วิธีเนี้นะหายไปสักพักแล้วก็โผล่มาให้คนเห็นคนก็นึกว่าลังอยู่ไม่ไกลก็ตามไป หลอวิ่งเงี้ยจนกระทั่งเป็นชั่วโมงนะบางทียังไม่เจอขึ้นไองไม่เจอต้นไม้เลยก็มนะีคนก็ต้องหาวิธีที่จะรู้ทันพึ่งให้ได้ว่าพึ่งนี้มันหลอกเรารึเปล่าและสิ่งที่น่าสนใจคือว่าพึ่งเนี่ยนะอคนก็ตามรู้ทันนกให้ได้ว่านกนี้มันหลอกรึเป่า อ, อันนี้ก็เป็นเะรื่องที่น่าสนใจว่าคือนกเนี่ยมันฉลาดนะ มันฉลาดตั้งแต่รู้ว่าคนเนี่ยจะช่วยหาพึ่งได้แล้วก็ฉลาดพอที่จะหลอกคนว่ารังพึ่งไม่ไกลหรอกนะแค่นี้เองคนก็ตามไปมันนึกดูนี่มันก็เหมันกีรเลคคนง่ายพึ่งเนี่ยนะคือมันก็ฉลาดในการที่จะหลอกล่อให้เราเนี่ย ท, ทำตามอำนาจของมัน และพอเราเริ่มจะรู้ทางมันก็จะออกอุบายใหม่ๆนะให้เราหลงเชื่อนะอย่างคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่นะครับมันก็จะหาสรรหาเหตุผลเพื่อหล อ, อกล่อให้ให้เราเนี่ยนะหรือให้คนคนนั้นเนี่ยกินกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่หยุดสักที ทั้งๆ ท, ที่ก็รู้ว่ามันเป็นโทษนะแต่มันก็จะมีอุบายใหม่ๆอยู่เรื่อยบอกว่าเออนิดหน่อยเองนะแค่แก๊กสองแก๊กเท่านั้นเองนะบางทีก็อ้างเหตุผลว่ามันช่วยถอนดีนะคนก็หลงเชื่อ ก็ทำตามมันนะบอกพอกรู้เท่าทันมันแล้วอ้าวมันจะมาไม้นี้มันก็มาหาอุบายอันใหม่หนะลอกอีกนะว่าเพื่อเข้าสังคมบ้างละนะเพื่อนชวนบ้างละปฏิเสธเขาไม่ได้น่าเกลียดนะคือก็จะมีเหตุผลอยู่เรื่อยๆในการที่จะสนังกินเลยหรือเวลาจะทำความดีนะ หลายคนก็รู้ว่ปฏิบัติธรรมเป็นของดีเห็นคนหนึ่งเขาปฏิบัติธรรมแล้วเขสงบมากขึ้นเขามีความสุขมากขึ้นขณะเดียกันก็รวดตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความทุกเครียดนะก็ตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมอันนะสิ้นปีแต่พอถึงสิ้นปีกิเลสมันไม่ชอบเนี่ยไม่อยากปฏิบัติธรรมแล้ก็หาเหตุว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเที่ยวก่อนดีกว่าเที่ยวเสร็จแล้วเข้าใจ ป, ปฏิบัติธรรมพอเที่ยวปีใหม่เสร็จนะพอได้เวลาจะปฏิบัติธรรมมันก็หาข้อแก้ตัวอย่างอื่นอีกนะคือเลื่อนไปเลื่อดนะเราปฏิบัติคนหลายคนอยากจะปฏิบัติธรรมแต่ว่าเจอโลกเลื่อดไอเลื่อนนี่ไม่ใช่อะไรเลือะกินเล็มันขอเลื่อนมันก็อ้างเหตุผลมาให้เลื่อน แต่ตอนหลังจับได้จับไล่ได้ทันว่าไอ้นี่เป็นกิเลสอย่มันไม่ใช่เหตุผลมันเป็นกิเลสที่มนันอุบายกิเลสก็บังคับใจข่มใจว่างั้นต้องปฏิบัติธรรมอุตส่าห์พาตัวมาปฏิบัติธรรมถึงวัดได้กิเลสมันก็หาเรื่องอีกนะพอปฏิบัติปฏิบัติธรรมได้สองสาวันนึกถึงแม่ขึ้นมาโอ้แม่เราป่วยแม่เราไม่ค่อยสบายหรือว่าแม่เราแก่แล้ว ไม่ปฏิบัติมิลาไปเยี่ยมแม่เลยนะไปเยี่ยมแม่ดีกว่าก็เลยปฏิบัติธรรมตั้งใจว่าจะอยู่สักเดือนหนึ่งนะอยู่ได้แค่หกวันเจ็ดวันก็เพลนแล้วมีนะั่มีพระที่มาจำพรรษาก็เลยจำพรรษาทั้งเดือนเอาสามเดือนเอเดือนหนึ่งมาอยู่ได้สามวันขอลาไปเป็นอะไรนะแม่ส่งเป็นห่วงแม่นะอยากจะไปดูแลแม่ ไอ้ตอนเป็นฆราวาสนี่เคยคิดถึงแม่เลยนะแต่พอบวชนี่ดันคิดถึงแม่ขึ้นมาไปแล้วหายจ้อยเลยไม่กลับมาเลยกินะเลมันหลอกนะภาอุตสาหตัดสินใจมาบวชแล้วนะมันก็ยังหาหาอุบายล่อเนะีหรือาบางคนนะมาปฏิบัตินะปฏิบัติก็มีความทุกข์นะเพราะว่ามันม า, มาบวชพระนี่มาปฏิบัติทำหรือเป็นนักปฏิบัติก็ตาม มันไม่มีสิ่งที่จะมาปนตัวกินเละมันก็อึดอัดมันก็จะหาเรื่องวัดนี้ไม่ดีเลยนะเสียงดังนะพระก็ดูหรือว่าพระก็ะไม่น่ารักเลยไม่เป็นนิดเลยบรรยากาศไม่อานวยไปวัดอื่นดีกว่านะหรือว่าไปตั้งหลักหาวัดใหม่ดีกว่าแล้วก็ เก็บเข้าวเจ็บของเพ่นไปเลยนะตั้งใจว่าจะอยู่ปฏิบัติหนึ่งอาทิตยนะ์อยู่ได้แค่สองวันก็เพ่นนะไอตัวที่หัวเลาะคืออะไรคือกิเลส็นหัวลอกโอ้โหสำเร็จนะสำเร็จหรือว่าพอมาตั้งใจมาปฏิบัติแล้วนะมันก็จะหาเรื่องนะให้เราคิดโน่นคิดนี่หรือให้เราเลิกปฏิบัติทำบางคนนี่พอปฏิบัติได้สักสองสาวัน เริ่มขันไม้ขันมือแนละอยากจะไปช่วยครัวบ้างละนะอยากจ ะ, ะทำโน่นทํานี่บ้างละ่ะไอตอนอยู่บ้านนี่ไม่สนใจครัวไม่สนใจอะไรเลยแต่พอปฏิบัติธรรมมันอยากจะไปกวาดนะกวาดใบไม้กวาดลานวัดอะไรต่างขึ้นมาอันนี้เป็นอุบายเ น, นะแต่เป็นอุบายที่ปนีิมากขึ้นนะทําไมต้องปนีิเพราะว่า เราเริ่มจะรู้ทันแล้วว่ามันจะมามันจะมามาไม้ไม้ไหนมันจะอ้างเรื่องเป็นห่วงแม่มันจะอ้างว่าวัาวดไม่ดีไม่น่าอยูเอ่เรารู้ทันว่าไอ้นี่กิเลสทั้งนั้นกิเลสมันหลอกลอก่อมันก็จะมาไม้ใหม่มาชวนให้เริกปฏิบัติด้วยการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะทําครัวกวาดลานวัดมีหลายคนนี่ จะเป็นอย่างนี้นะจะไม่อยากปฏิบัติจใ จ, จใใอยากจะจับไม่กวาดไม่กวาดอยากจะออกไปเจอผู้เจอคนก็ไม่รู้ทันว่านี่ก็เป็นอุบาลกิเลสที่มันไม่อยากจะให้เรารู้ทันมันอยากจะหนีตัวเองมันอยากไปเสพอารมณ์ใหม่ๆนะ ต่อมาเรารู้ทันมัน อ, อ่านี่มันจะพยายามดึงให้เราออกจากการปฏิบัติออกจากการอยู่ตามดูรู้กายใจเราก็รู้ทันนะมันมันจะยั่วจะยวนให้เราไปทํานู่นทำนี่เราไม่ไปมันจะยั่วจะยวนให้เราไปคุยกับคนนู้นคนนี้เราไม่ไปเราจะตามดูรู้ใจและกายอันนี้มันก็ออกมาใหม่นะพยายามหาเรื่องคิด เอาว่าถ้ามันไม่ได้คิดแล้วมันไม่มีความสุขกิเลสเนี่ยก็ต้องหาเรื่องคิดคิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงเรื่องรูปคิดถึงเรื่องอความสุขที่เคยเสพล้วก็เพลินไปความคิดนะเดินจงกรมไปสร้างจังหวะไปก็เพลินไปกับความคิดที่กิเลสมันปรุงแต่งขึ้นพอรู้ทันว่านี่มันนะเป็นกิเลสเนี่ยเราพอจะคิดถึงเรื่องความสุขที่เคยเสพเรารููแล้วนี่ไม่ใช่ มันก็มาในรูปใหม่อื่นนะรูปใหม่คนนี้มาคบคิดเรื่องธรรมะดีวกว่าอมาคิดเรื่องธรรมะเดินจงกลมไปสร้างจังหวะไปก็คิดเรื่องธรรมะเลยกิเลสอีกเหมือนกันนะคือมันอยากคิดอาหาัยของมันคือความคิดมันต้องหาเรื่องคิดอยู่เรื่อยอ า, ากเลสมีหลายแบบมีตั้งแต่ย่าไปถึงขนาดการแล้วก็ละเอียด นั่งปฏิบัติทำไปแทนที่จะมารู้เท่าทันกายและใจก็ไปจมอยู่กความคิดคิดเรื่องธรรมะตนฟุ้งเลยก็มีนี่ก็เสร็จมันอีกแนละ้เวเห็นไหมว่ากิเลสนี่มันพยายามที่จะหาลูกไม้ใหม่ๆอุบายใหม่ๆที่แยกคายมาล่อมมาหลอกเราตลอดเวลานะเริ่มจากการที่ล่อให้เราไม่ไม่ไม่มาปฏิบัติธรรมสักที พอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันก็รอให้เราปฏิบัติธรรมได้แต่เดียวก็ดาวพอตั้งใจปฏิบัติมันก็รอให้เราไปทํางานพอเรารู้ทันมันก็รอให้เราหาเรื่องคิดนะคิดตั้งแต่เรื่องที่เป็นกิเลสแท้ๆเช่นเรื่องความสุขความสนุกสนานไปทนถงหาเรื่องคิดเรื่องที่เป็นธรรมะนะอันนี้เราก็ต้องรู้ทัร น, นะเพราะว่ากิเลสมันฉลาดเสมอในเรื่องเหล่านี้เพื่อที่จะให้เรา หนีจากตัวเองเพื่อเราที่จะออกห่างจากตัวเองให้เราทรงจิตออกนอกตลอดเวล า, าต้องฉลาดเราเตรียมตัวรับพร